ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่หลงพระโพธิญาณในวันนี้จะเป็นการตอบคำถามของนักเรียนมัธยมต่อไปเธยถามว่าถ้าไม่มีปีติแต่นั่งได้นานเรียกเป็นสมาธิหรือไม่คื อ, อยังว่าที่สุดมันก็สมบกระดับศีล น, นะคือกายวาจาของเราในขณะนั้นเราก็ไม่ตามทุจริตอะไร แต่ถ้าไม่สงบเลยเนี่ยมันก็จะเป็นสมาธิไม่ได้หรอกก็ถือว่าได้ระดับสีนก็แล้วกันก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไระเลยแต่ว่าถ้านั่งได้นานๆไปถึงจุดหนึ่งมันก็สงบได้นะครับสมาธิมันก็เกิดขึ้นได้คือการเจริญสมาธิเป็นเรื่องจะต้องใช้ความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องประเดี๋ยวประดาว ครูบาอาจารย์ที่ท่านเด่นดังขึ้นมาในเรื่องของสมาธิแต่ละองค์นี่อายุมากๆแล้วทั้งนั้นไม่มีใครที่ทําบีสองปีก็จะได้เกิดความสงมบขึ้นมามันต้องใช้เวลานานแต่อย่างน้อยเราก็ขึ้นสู่ระดับศีลแล้วสมาธิก็ดีกว่าไม่ได้นั่งสมาธิแต่อาจจะสงบขึ้นมาเป็นปูปบๆเป็นขณะเป็นผักพัด ก, ก็ได้ ก็ขอให้พยายามทำต่อไปก็แล้วกันถามว่าถ้าไม่นั่งสมาธิมีผลเป็นบาปหรือไม่ต่อใจว่าคงจะถามว่าถ้านั่งสมาธิไม่มีผลเป็นบาปหรือไม่มากกว่าเอย่างที่บอกว่าอย่างน้อยเรานั่งสมาธิเนี่ยชั้นฉีเนี่ยเราได้แล้ว กายเราก็สงบปาจจาัเราก็สงบถ้าจิตใจยังไม่สงบเราก็ได้บุญระดับสีแล้วก็พยายามในระดับของสมาธิก็ดีกว่าไม่ดำบุญอีกเป็นอันมากคือเราไปเร่งพนเลิศอะไรไม่ก็ได้หรอกเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามทำไปตามกำลัาางความสามารถที่จะกระทาได้ แต่ผมทราบอยากทราบว่าการทำสมาธิอย่างไรยังจะทำให้นั่งได้ดีและสมาธิทำให้เรียนเก่งคือสมาธินี่มันแตกต่างกันในเชิงที่เป็นรูปแบบวิธีนั้นทรงแสดงไว้ถึงสี่สิบวิธีแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วก็คือการทำจิตให้สมบอก่ังไม่หวน เมื่อจิตจากสงบจากนิวรได้แม้จะไม่มีรูปแบบของการนั่งสมาธิก็ถือว่าใช้ได้หรือจิตเราอยู่ด้วยกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ยมันก็สงบจากนิวรณ์อยู่แล้วทีนี้เมื่อจิตเราเป็นสมาธิเราก็เรีนหนังสือได้ดีเป็นธรรมดาเพราะว่าการเรียนหนังสือนั้นจะต้องอาศัยสติสัมจจัญญะความเพียร แล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับหนังสือที่เราอ่านในขณะนั้นๆัเมื่ออานหนังสือยังมีสมาธิความรู้ความเข้าใจหนังสือก็จะดีจะเด่นมากยิ่งขึ้นก็นี้ก็เหมือนกันแหละมันก็ต้องพยายามกระทาอาจจะเกิดสมาธิบ้างไม่เกิดบ้างเกิดมากบ้างน้อยบ้างก็ทํากันไปไปเรื่อยๆเราไปถึงจุดหนึ่งสมาธิก็จะดีการเรียนหนังสือก็จะดี นรกสวรนค์มีจริงหรือเปล่าแล้วสามารถพิสูจน์ได้อย่างไรคือคนที่เขาพิสูจน์ได้เขาก็พิสูจน์ได้นะครับมันเหมือนเราเชื่อไวรัสเนี่ยเราถามว่ามีจริงหรือเปล่าเราก็ตอบว่ามีเราพิสูจน์ได้ไหมเราก็ไม่เคยพิสูจน์นะฮะเพราะเราไม่มีกล้องอยูร่าทัศน์แต่ก็หมอที่เขามีกล้องอยูร่ทัศน์ก็เคยพิสูจน์มาก็เคยเห็นมาก็อธิบายบอกกล่าวชี้แจงเอาไว้เราก็เชื่อไปตามนั้น ความมีอยู่ของนรกสวรรค์นี้ยพระพุทธเจ้าประหารท่านเห็นแล้วท่านมาบอกกล่าวที่แจง้งแสดงให้เราทราบเราเชื่อตามพระองค์ไม่เห็นขาดทุนอะไรเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทำให้เรากลัวบาปเราก็งดเว้นจากบาปก็พยายามมาทำความทำความดีทาบุญติดตามว่านารกสวรรค์ไม่มีถ้าเราทำความดีในปัจจุบันเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบัน ถ้านรกสวรรค์มีเราก็บังเกิดในสวรรค์ด้วยไม่ต้องขาดทุนอะไรนะแต่ถ้าเราทําความชั่วเนี่ยถ้านรกสวรรค์ไม่มีเราก็เดือดร้อนในปัจจุบันถ้านรกสวรรค์มีเราก็ตกนรกในชาติหน้าด้วยเพราะการเชื่อเรื่องนรกสวรรค์นเนี่ยถ้าเชื่อให้เป็นแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้มีโทษอะไรตัวอย่างที่สุดก็ทําให้เราเป็นคนดีคือประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ก็เป็นความถูกต้องแล้วคเรื่องวันเรื่องเราจะไปพิสูจน์ทดสอบหมดไม่ได้แร้วแม้แต่พ่อแม่ของเราที่เป็นพ่อแม่เราในปัจจุบันที่จริงเราก็ใช้ความเชื่อเราไม่สามารถพิสูจน์ทดสอบได้หรอกว่าตอนท่านเกิดมาเนี่ยแม่เป็นคนเกิเราจริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่เห็นถามพยาบาลพยาบาลเราก็เชื่อพยาบาลเชื่อหมอเชื่อแม่เชื่อพ่อ เชื่อปู่ย่าตายายเราก็เชื่อเอาทั้งนั้นความมีอยู่ขอนรกสวรรค์มันก็มีลักษณะอย่างนั้นการที่จะนั่งสมาธิให้แน่นแน่วแน่ไม่วกแวกต้องทำทั้งนั้นทุกคนวกแวกทั้งนั้นน่ะทุกคนก็ไม่แน่แน่ทั้งนั้นเนี่ยแต่ก็พยายามนั่งไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาใช้อารมณ์เลือกอารมณ์ที่มันถูกกระริตเสหน่อย อาจจะภาวนาพุโทโธอาจจะดูที่ลมาหายใจเข้าออกหรืออาจจะใช้กรรมฐานข้ออื่นข้อไหนก็ได้นะคที่เราทําแล้วจิตใจสงบคือมันไม่ได้บังคับว่าจะต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งจะทําอย่างใดประกามที่ถ้าจิตมันสงบจากนิวรณ์ทั้งห้าประการได้แล้วเนี่ยการปฏิบัติอย่างนั้นก็เรียกว่าสมถกรรมฐานหรือก็เป็นสมาธิอยู่นั่นเอง ข้อต่อไปถามว่าเหตุใดสัตว์ที่ฉานจริงไม่สามารถจะบวชได้เช่นพญญาหนา้ามันก็สัตว์จะบวชได้ไงมันต้องปฏิบัติในศีลในธรรมสัตว์มันไ ม, ไ, มไม่มีเดียงสาไม่รู้เดียงสามจะบวชได้ยังไงแม้เจ้าจีวรมาห่มข้าวแกก็ปฏิบัติไม่ถูกไม่รู้ศีลไม่รู้ธรรมไม่รู้วินัยก็ต่อไปถามว่า เราไปจงวันต่างๆมีอะไรบ้างและมีความต้องการอย่างไรมันเป็นเรื่องคิดกันขึ้นมานะยคเป็นเรื่องคิดกันขึ้นมาแล้วก็สมมติกันขึ้นก็จําไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ได้สนใจปิดใจในเรื่องเหล่านี้อะไรต่ออะไรคือว่าเอาปางต่างๆของพระพุทธรูปเป็นวันอาทิตย์ปางถวายเนตรวันพุธปางอุมบาทวันเสาร์ปางนักพรตอะไรต่ออะไรอย่างเนี้ย เกลี้ยงพระพุทธรูปมันมีปางอยู่แล้วหมายความว่าเรียบทอย่างนั้นของพระพุทธเจ้าในะในสมัยที่ทรงพระชนอยู่ก็ทรงมเรียบทในลักษณะนั้นอยู่แล้วเราก็มาคิดขึ้นเป็นพระพุทธรูปแปงต่างๆรู้สึกว่ามีทั้งหมดตั้งหกสิบกว่าแปงนะฮะถ้าคิดได้เต็มที่มันก็ได้เป็นพันๆแล้วพระภารกิจของพระพุทธเจ้าันมันเยอะแยะไปหมดเลยก็ พระพุทธรูปก็คือพระพุทธรูปจะแบ่งแยกทําไมเรามีพระพุทธรูปปางอะไรเราก็บูชาปางนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปบูชาพระประจําวันอะไรตัวเป็นเรื่องความคิดแนวศิลปศาสตร์นะครัะม่ใช่เป็นแนวหลักของพระพุทธศ า, ศาสนาเต็มเต็มร้อยหรอกมันก็ปนป น, นแนวศิลปศาสตร์อยู่ทําไมเวลานั่งสมาธิบางคนเกิดในมิตรบางคนไม่เกิด มันก็ธรรมดามันเหมือนก็นอ่านหนังสือบางทีรอบเดียวทำไมบางคนยังจําบางคนก็นนกนไม่จํามันอยู่ที่พื้นฐานนะฮะพื้นฐานจิตของคนว่าจิตคนนี้เกามีพื้นฐานทางสมาธิดีไหมแล้าก็มีพื้นฐานทางสมาธิก็นั่งก็เป็นสมาธิได้เร็วได้นิมิตได้ปิติอะไรอะไรก็ว่ า, าไปแต่พวกนิมิดปวปิติไม่ใช่เนื้อหาสาระที่แท้จริงหรอก เนื้อละที่แทจริงมันอยู่ที่สงบนิวรณเป็นประการสาคัญทีนี้คนบางคนที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องเหล่านี้มาจิตใจก็สงบได้ยากเพราะฉะนั้นปัญหาสาคัญว่าเราต้องพยายามกระทาไปเรื่อยๆจนจิตใจมีความสงบเกิดขึ้นมา ส่วนจะเร็วหรือจช้ามันก็ขึ้นอยู่กับถ้าเราทําได้ช้าเราก็บอกว่าเราวาสนาบารมีในเรื่องนี้เราน้อยเราก็ทําให้มากมากขึ้นคนที่ทําได้เร็วก็ถือว่ามีวาสนาบารมีในเรื่องนี้มากก็รีบเร่งการทาให้มั น, มกกนเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้นเพราะมันเป็นประโยชน์โดยส่วนเดียว ถามว่าทําไมเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมเมื่อเลิกทําแล้วรู้สึกปวดหัวทั้งสองข้างอันนี้รู้สึกว่าอาจจะไปเคร่งเครียดกับเขามากเกินไปนะทํานองทำนองแบบสะกดจิตตัวเองีอต้องการได้ผลแต่ไมเ่มเต็มหน่วยตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบรรยายเอาไว้แล้วก็รู้สึกเปื้ปวดปวดทีษะในตอนหลังต้องการทราบการตั้งมั่นแห่งจิต จิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่สงบอยู่ด้วยกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเปียนจิตมีสมาธิจิตมีสติจิตมีความเพียรจิตมีปัญญาจิตมีหิริมรตปะนี่จิตตั้งมั่นดังนั้นนะคือพูดว่าจิตตั้งมั่นก็คือจิตอยู่ด้วยกุศลธรรมจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็คือจิตที่มากไปด้วยอกุศลธรรมต่าง ต้องการทราบบุญบาปบุญเวรกรรมนรกสวรรค์บาปก็โดยเหตุก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความคิดที่ไม่ดีนะฮะโดยผลคือหลังจะทําไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วเนี่ยจะมีความทุกข์เป็นผลบุญก็คือขึ้นมาจากความคิดที่ดีๆแล้วหลังจะทําไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วก็จะมีความสุขเป็นผล เวรกรรมนั้นก็เกิดขึ้นมาจากการกระทำความชั่วแล้วเป็นเหตุให้จองเวรจองกรรมกันยันเราฆ่าคนเนี่ยฆ่าคนตายในยคนโคตรจองเวรจองกรรมกับเราหรือว่าเป็นตัวผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำความชั่วที่ไปให้ผลแก่เรานารกนั้นก็เป็นสถานที่ที่สัตว์ซึ่งทำชั่วแล้วจะไปเกิดสวรรค์นั้นก็เป็นสถานที่ที่สัตว์ ซึ่งทําความดีแล้วจะไปเกิดวันนั้นก็เป็นความต่อเนื่องถึงกันนะฮะพวกเรานี้เป็นความต่อเนื่องถึงกันเวลานั่งสมาธิทําไมคนจึงมีอาการลุกเดินเหมือนคนไม่มีชีวิตค่ะอันนี้ที่จริงมันคงจะไม่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นไปไม่ได้ละมันไม่มีในธรรมา แต่ว่าก็แสดงว่าคงคนจะคุ้นเคยกับเรื่องละเมอนะคนต้องถามภุ่มหลังเขาว่าเคยละเมอลุกเดินหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเ้านั่งไปแล้วก็หลับไปแล้วก็ปุมปุ่มแปงไว้ล่งหน้าในสุดมันก็กลายเป็นอาการแบบคนละเมอถ้าเกิดคนที่ไม่มีใจรักในการนั่งสมาธิทำอย่างไรจึงจะเกิดอยากนั่งต้องพยายามปูวังกันนะฮะ อย่างปลูกฝังตง้องมีอิธิบาทสีประการมีสันทะความพอใจรักให้ในการที่จะเจริญสมาธิแล้วก็มีวิริยะเพียรพยายามเจริญสมาธิจิตตะมีจิตใจมุ่ง ม, มั่นในการเจริญสมาธิแล้วมีมังสาพยายามหาเหตุหาผลในการเจริญสมาธิก็ต้องพยายาม ปลูกฝังอิทธิบาทให้มันเกิดขึ้นมากๆากนะครับปัญหาต่อไปเป็นปัญหาของครูสอ่ อ, อนะฮะก็จังหวัดนครราชสีมาท่านเหล่านี้เข้ารับการบรรยายอบรมชีวัดเท พ, พิทักษ์บุญนารามที่กลางลง อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นการบรรยายในเรื่องพุทธวิธีในการสอนแล้วพอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงกลางกลางครูก็จะถามปัญหาปัญหาเหล่านี้ก็เก็บวรวบรวมไว้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างที่บอกไว้ในตอนตอน้ตนๆถามว่าท่านตารก ถึงประลบนะบว่ากระผมมีความเห็นว่าหลักสูตรการศึกษา2503เป็นหลักสูตรที่น่าจะนํามาสอนเด็กในสมัยนี้เนื่องจากว่ามีการแยกวิชาได้ชัดเจนเช่นวิชาหน้าที่พลเมืองวิชาศีลธรรมสอนให้คนเป็นคนดีมีความรับผิดชอบและกระผมเชื่อว่าคณะครูอาจารย์ที่นั่งอยู่ณที่นี้หลายคนจบมาจากหลักสูตร ทรงผนห้ารอยสามและเป็นคนดีมีความรับผิดชอบดังนั้นเราหน้าจะนำเอาหลักสูตรทรงผร้ยสามาประยุกต์ใช้สอนนักเรียนในปัจจุบันอยาา่าทราบความเห็นของท่านครับอันที่จริงหลักสูตรเนี่ยมันไม่ค่อยสําคัญอะไ ร, ทะไรเท่าไหร่หรอกหลักสูตรสองพันห้าร้อยสามตามที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นหลักสูตรที่ดีนะฮะแล้วก็ประสบความสาเร็จในการบริหารการจัด ก, การศึกษามา ดีพอสมควรจนถามารถสร้างคนดีๆขึ้นมาคนเรานี้ก็ปเลยนี้ก็อยู่ในบ้านในเมืองเนี่ยก็เป็นข้าราชการในตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆก็อายุก็แถวอะไรไปแล้วแถวสามสี่สิบกว่าๆไปแล้วนะฮะแต่ว่าความคิดบางทีในเราก็ฟุ้งซ่านนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง จับนี่ไปไว้ตรงนั้นจับนั่นไปไว้ตรงนี้ปรับเปลี่ยนวิธีการในการสั่งสอนอะไระไรเล็กๆน้อยๆปฏิรูปการศึกษาและเสียงเงินเสียทองไปเยอะในะแต่ละขราวก็มีการปฏิรูปเนะี่ยเพราะในการย้อนกลับไปอย่างนั้นเนี่ยเขาคงไม่ย้อนหรอกเพราะของเก่ามาเนี่ยมันไม่ได้ผลประโยชน์มันไม่ได้ความคิดใหม่ๆขึ้นมา แต่ที่จริงเนี่ยความคิดใหม่มันก็สอนจากหลักสูตรเก่าๆเนี่ยได้อย่างหลักสูตรอื่นไม่รู้นะหลักสูตรพวกประวัติศาสตร์เน่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะป ร, ประวัติศาสตร์ประวันคดีพวกเลขคณิตพวกคณิตศาสตร์พวกเรขาคณิตพาาีชคณิตอะไรแต่อะไรมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรอ่ะสูตรทางวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็หลักธรรมะอย่างเงี้ยที่จริงก็สอนมาอะไรมันก็เมื่อ น, นั้นเน่ะไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร แต่เราก็ไปปฏิรูปกันเป็นการใหญ่ไปปรับปรุงวิธีการกัเป็นการใหญ่ก็ทำให้ถกเถียงกันวยาะลงทุนลงแรงกันมากมายไกลกองเนี่ยถามว่าช่วงนี้เรื่องวัดธรรมกายเงียบอยากให้หลวงพ่อเล่าฟังเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรก็ไม่ค่อยสนใจนะแต่รู้แต่เพียงว่า ทีฟ้องอยู่ทางสารส่งนั้นก็จะนักอยู่ที่ศาาลชั้นต้นคืออยู่ที่เจ้าคณะภาคนะฮะเจ้าคณะภาคกับเจ้ า, าคณะจังหวัดที่จะต้องร่วมกันสอบสวนไต่สวนใดๆก็ยังไม่ได้ดำเนินการแต่ส่วนที่เกี่ยวก็บคดีฟ้องศาลบ้านเมืองนั้นก็ยังอยู่ในศาลได้ว่ามาถึงลงถึงศาลแล้วเวลามา น, นานนแล้ะ ว่าเมื่อก่อนจะนัดทุกวันพุดทุกวันก็ได้ข่าวว่ายงเงียบไปม่ไม่ทราบว่าเดินไปไปถึงไหนก็ยังนัดกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกสนใจเรื่องใกล้ใกล้ตัวเราดีกว่าคือว่ามันเป็นเหตุการณ์ซึ่เกิดขึ้นแล้วก็ลมเพลลมพักมากพอสมควรเหมือนกันหมายความว่ามันเป็นความขัดแย้งกันใน ผลประโยชน์บ้างในเรื่องส่วนตัวบ้างในเรื่องความคิดเห็นบ้างก็ปล่อยเข้าไปตามอัธยาศัยอยากเรียนถามว่านิพานเป็นอนัตตาหมายความว่าอย่างไรนิพานมีจริงหรือไม่คนบรรดาสามารถไปนิพานได้หรือไม่คําว่านัตตาแปลว่าไม่เป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวมีตนเพราะว่าพอย่อยออกไปแล้วเนี่มันสูดหมดเลย คือการเป็นตัวเป็นตนเนี่ยที่จริงมันไม่มีโดยธรรมชาติแต่กิเลสมันสร้างขึ้นจนเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาที่จริงเป็นกระบวนการของกิเลสกรรมแล้วก็สร้างขึเป็นวิญญาณแล้วก็กลายเป็นรูปชีวิตขึ้นมาเป็นนามรูปเป็นอายตนะเป็นภาษาเป็นเวทนาอะไรต่างๆก็เป็นเป็นกระบวนการกันไปแต่ว่าเราไปปรับใจฝังใจเอาในลักษณะอย่างนั้น ก็ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนคล้ายๆกับเราเดินทางไกลเราก็เราคนเดียวเนี่ยเราก็ตายเกิดตายเกิดเราก็คนเดียวนี่ยแหละแต่ที่จริงมันเป็นกระบวนการของการเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับก็ทยอยกันไปเป็นคลื่นมันกระแสไฟกระแสน้ํากระแสลมเนี่ยนะมันตราบใดที่ยังไหลไปมันก็ไหลไปได้เรื่อยๆอย่างนั้นเนี่ยไม่มีการหยุดหยุนนั่นก็เป็นเรื่องของสังสารวัฏ แต่ว่าที่เขมองเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยคือมองว่าชีวิตแต่และชีวิ ต, ต่มันแยกย่อยมาจากสิ่งสูงสุดซึ่งมีชื่อเรียกเยอะแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะเข้าไปอยู่รวมหรือไปอยู่ร่วมกับสิ่งสูงสุดก็กลายเป็นรัทติอัตตาตัวตนขึ้นมาแต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นอนัตตาก็เพราะว่าหนึ่งเราไม่สามารถ สั่งการบงการให้ชีวิตเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นตามที่เราต้องการได้เราสังเกตเราบงการอะไรเราไม่ได้เลยชีวิตเราเนี่ยมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะปวดเอวปวดหลังอะไรแต่อไรมันก็เป็นก็มันธรรมดาก็มันมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นเราไปแก้ไขอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้แล้วก็ตรงกันข้ามกับที่ความเชื่อที่เป็นอัตตาตัวตน ที่สำคัญอย่างยิ่งพอย่อยไปแล้วมันศูนย์เป็นศูญญตาเป็นศูนย์หมดไม่มีอะไรเหลืออเหมือนกษัตริยสารทั้งหลายเนี่ยพอเราย่อยกันจริงๆเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเหลือเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรจริงๆบอกว่าบ้านของเราเรือนของเรารถของเราสามีปัญญาของเราดูของเราอะไรแต่อไรก็เอาจริงไม่ใช่ของเราจริงแต่ละชีวิตมาด้วยกรรมของตน อยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของตนจากโลกนี้ไปด้วยกรรมของตนเขามาอย่างไรเขาก็ไปอย่างที่เขามาแล้วก็เป็นอย่างนั้นทุกๆคนนิพพานมีจริงหรือไม่ก็มีจริงนะฮะนิพพานก็คือสภาพที่ดับกิเลสและดับทุกข์คือไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์ในที่ใดที่นั่นก็เป็นนิพพานใ้จิตใครก็ตามที่ไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์นะฮะจิตนั่นก็เป็นนิพพาน คนธรรมดาสามารถไปนิพพานได้หรือไม่ก็คนธรรมดานี่แหละที่ไปนิพพานน่ะตกอเป็นชาวบ้านก็ได้เป็นนักบวชก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันข้อสําคัญว่าปฏิบัติให้สมบูรณ์ในอะไรมกักในองค์ประการเพื่อทำศีลให้สมบูรณ์สมาธิให้สมบูรณ์ปัญญาให้สมบูรณ์ก็เข้าถึงนิพพานแล้วก็ไม่ใช่เรื่องวิจิตพิสดารอะไรหรอกแต่ว่าปฏิบัติยากแต่ น, นั้นเองนี่ก็เป็น หลักการที่มีการถกเถียงมีการอภิปรายกันแล้วก็สืบเนื่องมาจากนี่แหละสืบเนื่องมาจากคําถามเรื่องธรรมกายเนี่ยแหละเพราะว่าธรรมกายเขากล่าวว่านิพานนั้นมันมีเป็นแดนเป็นอายตนะ น, นิพานงล้ายๆก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งะคนตายแล้วก็ไปอยู่ในสถานนิพานแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่นั้นช่ว น, น, นิรันดรไม่ต้องทํามากินอะไรอยู่เฉยๆอยู่นั่งเฉยๆซึ่งก็ เป็นที่น่าข้องใจสงสัยว่าไปอยู่ทำอะไรอย่างนั้นน่ะมันได้ประโยชน์อะไรเพราะว่านิพพานในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงว่าบุคคลได้ดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกหมดสิ้นเชิงแล้วแล้วก็ในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นจะสมบูร์ด้วยปัญญาบริสุทธิ์กรุณา ด้วยความกรุณาเนี่ยจะทํางานแบบทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือสัตว์ตัวโลกโดยไม่คหนึ่งถึงความเหนื่อยยากลําบากส่วนตนแลว้วพอถึงจุดหนึ่งก็ดับขันดับไปีนิพานคือตายไปพอตายไปก็จบกันงนันเหมือนก็ไฟดับเราถามว่าไฟดับแล้วมันหายไปไหนเนี่มันตอบไม่ได้แต่ว่าการดับนั่นได้ดับแล้วแต่ว่าดับแล้วหายไปไหนเนี่ยมันไม่มีคําตอบสมัครไฟดับพราะคนเราที่ตายแล้ว ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเราก็ตอบไม่ได้นะไม่ใช่ที่นิพพานแล้วเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้วันนี้พานแล้วไปไหนแต่ว่าได้มีการนิพพานแล้วแต่พูดนิพพานจริงๆไม่มีแล้วนะเพราะท่านละอัตตาตัวตนไปหมดแล้วเพราตอนการนิพพานก็คือการดับเพลิงกิเลสดับทุกข์แล้วก็หมดกระบวนการของการหมุนวนในสังสารวัฏมีการหมุนวนในสังสารวัฏอีกต่อไปต้องฟังทงั้งหลาย แต่รลงมาพุทธิยาในวันนี้ข อ, อยุติไว้ได้เวลาเป็นงเนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไปบูรณนธรรมยังมีแดะท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี